อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีขนาดพอที่จะทาวิกัพได้เป็นอย่างต่าคําว่าแลกเปลี่ยนคือแลกเปลี่ยนจีวรเนื้อดีกับจิวรเนื้อไม่ดีหรือจีวรเนื้อดีกับจิวรเนื้อไม่ดีคําว่าชิงเอาคืนคือชิงเอาคืนเองต้องอบัญนิสกิยปาจิตตีคําว่าใช้ให้ชิงเอาคืนคือใช้ให้ผู้อื่นชิงต้องอบัตฑูปกด ผู้รับคำสั่งครั้งเดียวแต่ชิงเอาคืนหลายครั้งจีวันนั้นเป็นนิสกีคือเป็นของจำต้องสละแก่สงฆ์แก่คณะหรือแก่ภิกษุณีรูปหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุณีพึงสละจีวันที่เป็นนิสกีอย่างนี้